ลูกรักทั้งหลายเราเริ่มกันตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2521 รถ 1 ทะเบียน 20 ของแม่เป็นทองทองที่ 1 คันแล้วก็รถเบ็นของพันเอกแพทย์ดิงวีวัน 1 คันเออแล้ว เจ้าของบริษัทขายรถยนต์สุมรุเมื่อไปตอนส่งพลโท จึงก็บัญชาการฐาน 3,000 บาทและว่าทุกท่านเป็นผู้มีพระคุณกับพ่อมาก เราจะได้จะมีเสียงท่านหลายในชายได้ก็ก็อาศัยความเครือ 20 นี้ไปในระหว่างที่ ที่เราให้คน 20 คนเศษก็เป็นนั้นว่าการเดินทางจะเป็นไปได้ดีพา สงฺฆสํเฏฏฺฐายจอมตรายสงฺฏฏฺฐวาสุขทโยานโทโหติซึ่งแปลเป็น รวมความว่าการที่เราบังเอิญจะต้อง ซึ่งธรรมราชสมเด็จที่หัวทรงมีพระราชประสงค์ให้ตั้งให้ มันลูกรักของพ่อทุกคนพ่อถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของศูนย์แต่ว่าเป็นที่น่าชื่นดายที่ศูนย์นี้ไม่มีทั้งเงินเดือนไม่มีทั้งเบี้ยเลี้ยงลูกหลานทุกคนต้องทํางานกันเหน็ดเหนื่อยสายตัวเกือบจะขาดไม่มีใครเคยปี่ปากพูดเรื่องว่าไม่มีความสุขมีมีความลําบากแล้วก็เสีย แต่ความจะช่วยแต่แรงงานพ่อเพื่อให้กินมีความกินอยู่เป็นสุขในขณะที่ปฏิบัติงานว่าพ่อคิดว่าการจะจ้างคนอื่นลูก แล้วก็เงินก็จะเสียๆแต่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 เพราะงานที่ทํานั้นเป็นกิจกรรมที่เป็นมหากุศล 3 ประการตอนนี้ 14 เมษายน 2521 พอที่ ท่านจะกลับโปรดทรงทราบว่าวันที่ 15 จะเดินทางไปฝากใต้ ถ้าคิดอย่างนั้นไม่ถูกต้องคิด ร่วมด้วยบุคคลที่นั่งมาด้วยอีก น. น, น, น, น, นผ่านเขตอำเภอ ดงถ้ามีโอกาสพ่อจะคุยให้ฟังนี่เป็นดงประวัติศาสตร์ถ้ามีโอกาส แล้วก็ผ่านตลาดนางบวชตลาดตางบวชก็เป็นตลาดประวัติศาสตร์ผ่านเขตอำเภอ 3 ชุกอำเภอ 3 ชุก ชื่อทายมันลงศพศพและวรรณนางตายคือก่อน หลังจากนั้นเดินทางต่อมาก็ผ่านเขตอำเภอศรีวจันท์เขตอำเภอศรีวจันท์นี่ก็เป็นเขตประวัติศาสตร์เอาไว้โอกาสหน้า ไอ้ถ้าพี่เลี้ยงนี่พ่อ 2497 เวลา วัดเหล่าๆ3 กิโลเมตรแต่ว่าถ้าว่าเวลานี้วัด ความเป็นนางลาวทองคําๆชื่อจริงๆของ ที่น่าจะรู้แต่ก็ไม่รู้ใน เป็น 8 กิโลแต่ 5 กิโลโอเคยังว่าขยายไป 8 กิโล 4 เหลี่ยมจตุรัสจะเป็นๆก็ มาสนามชายนี่มีวัดป่าติ่งเค้าเรียกว่าวัดพระเจ้าจะ จุดใกล้ๆนั้นจะเป็นจุดแหล่งกลางของน้ํามันที่เนี่ยพึงหาได้ในประเทศไทยคือว่าหนึ่งใน สมัยก่อนมีคนบอกว่าจังหวัดสุพรรณบุรีพอเห็นว่าไม่ผ่านหน้าสะลากกลาง พอเลี้ยวเป็นฟ้ามือก่อนทาบสะพานเค้าเขียนป้ายว่าวัดโพคราณวัดโพคราณนี่ ชาวที่เกิดว่าถ้าวัดน่ะถ้าวัดมหาท่ายคนดีวัดพระท่ายคนดีวัดนั้นเคยมีเมืองหลวงเป็นเมืองหลวงมาซึ่งสมัยก่อนต้องเดินกันนานก็ วัดปาริรายไรกำลังมีงานประจําปีพอดีรถคับคั่งคนคับคั่ง มีคนไปซื้อข้าวขายของที่นั่นก็ต้อง ขอสัมพีที่ทะเลาะกันไม่สามารถธิกันพระพุทธเจ้ามาจําบรรษา 1 บรรษาเป็นแดนไกลมากในธัมมาลีถ้าไม่ได้บอกว่าที่ ท่านบอกว่าด่านป่านิรัยกะจริงๆก็คือที่วัดป่าเลไร่นี่เองก็น่าจะเป็นอย่างนั้นถ้าอยู่ในเขตใกล้ วัดรายชมสงนี้ก็เป็นวัดในสมัย 500 รูปไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแต่ได้ว่าให้คอยอยู่ตรงนั้นครับพรานนนเข้า นั่นเรียกว่าวัดประชุมสงฆ์เป็นที่ประชุมสงฆ์สมัย เราจะล่องใต้เลยจังหวัดสุพรรณไปอีกวัดวัดนึงมีนามว่าวัดคุณไกลวัดคุณไกลเป็นคุณไกลเป็นพ่อคุณแผนเตือนนี้จะคุยให้ฟังเลยเอาไว้นานๆมี <c oughs> ในเมื่อออกจากวัด 1 กิโลเมตรเป็นป่าทึบในเวลานี้พอ 1 กิโลหรือ 2 กิโล ยังมีสอายุสะวินนามะสะแก้วสะขาสะยมนาสะเกศเป็นศาประวัติศาสตร์ก่อนพระพุทธนครประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเหมือนกันแต่พ่อก็ของดไว้ยังไม่เล่าสู่ท่านฟังเดินทางต่อมาผ่าน <c oughs> ถ้าเรือ 20 นาทีก็ถึงอำเภออุทองมัน อาจารย์อำเภออุทองเข้าเขตอำเภอ 2 พี่น้องอำเภอ 2 พี่น้องๆที่พ่อตายแม่ต้อง ของก็มาจัดการอาหารท้องสดน้ํามันหมดแวะเติมน้ํามัน เป็นอำเภอประวัติสายของคนดุศิลาพล ทางเขตอำเภอกำแพงแสนมาแล้วก็เข้าจังหวัดจังหวัดนครปฐมเป็นเวลา 11:00 น. พักรับทานอาหารหลังจากรับ ล้อลัดตาทางมาจากจังหวัดนครปฐมเข้าเขตจังหวัดอ่าราชบุรีเมื่อก่อนเดี๋ยวถึงจังหวัดราชบุรีเห็นฝนตกขาวซึบแต่ว่ารถของเราไม่ถูกฝนว่าฝนตกแต่ก่อนออกจากเขตจังหวัดราชบุรีเข้าเขตจังหวัดเพชรบุรีตอนนี้รถของเราถูกฝน <coughs> อาจารย์เพชรบุรีแล้วก็เดินทางต่อมาจะเข้าประจบ รถมีความร้องสูงมีเสียงคล้ายๆ ก็หาเสื้อไหลไม่มีท่อน้ําแตกหาเสื้อ ขณะที่กําลังปรับปรุงรถเก๋งอยู่นั้นก็ประหลาดออกปรากฏว่ารถเมล์ที่ ก็ไป 17 ไปจึงวิ่งกันต่อไปถึง 3 แยกเป็นเวลาไป 18 คณิขันธ์เป็นเวลา 18:00 น. ปาติณสามแยกไปจบคณิกันจะเข้าห้องวานเครื่องนี้ a-Rod-Nam K'Rong-Wan, P'A-Rod-Nam K'Rong-Wan, L'Ele, I'm going to K'Rong-Wan. K'Rong-Wan-Nam K'Rong-P'Rong-Wan, Perseverat-Prok-C'au-T'A-Y M'A-R-J-T'A-T'A-T'A-T'A-T'-S'A-T'A-T'A-T'A'. ta ta บ้านจริงๆมีจิตไปมาหากุศลมากยากที่จะคนอื่น ก็ขอยุติ